การศึกษาเชิงเปรียบเทียบตันหากับฉันทะตามที่ได้ทำความเข้าใจและได้มองเห็นกันมามีจุดเริ่มต้นสำหรับพิจารณาในขั้นต่อไปคือให้ถือว่าแรงจูงใจในการกระทำของมนุษย์แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. ความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ ต้องการที่ไม่ดีไม่สบายไม่เกื้อกูลเป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาสองความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ดีงามสบายเกื้อกูลเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะ แรงจูงใจแห่งตันหาตันหาแปลว่าความกระหายความทยานความอยากความสเสน่หาความรนความร่านความกระสับกระสายความกระบวนกระวายไม่รู้อิ่มหลักสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับตันหาคือตามหลักปฏิจจสมุปบาทตันหาเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัย โดยมีอวิชชาเป็นมูลรากกล่าวคือเมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตามเช่นเห็นรูปสวยหรือหน้าเกลียดได้ยินเสียงไพเราะหรือหน่วงหูเป็นต้นแล้วเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆขึ้นในเวลานั้นตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้ารู้สึกสุข ก็ยินดีชื่นชอบคล้อยตามไปติดใจไฝ่รักอยากได้ถ้ารู้สึกทุกข์ก็ยินร้ายขัดใจชังอยากเลี่ยงหนีหรืออยากให้สูญสิ้นไปเสียถ้ารู้สึกเฉยเฉยก็เพลินเพลินเรื่อยเฉยไปอาการอย่างนี้เป็นไปของมันได้เองโดยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยตรงข้ามถ้ามีความรู้ความเข้าใจ หรือใช้ความคิดแทรกเข้ามาในเวลานั้นเช่นรู้ว่ารูปที่น่าเกลียดนั้นเป็นสิ่งมีประโยชน์หรือรู้ว่าเสียงไพเราะนั้นเป็นสัญญาณอันตรายหรือเกิดสํานึกทางจริยธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตนเป็นต้นตัณหาอาจถูกตัดตอนกระบวนการไม่ไหลต่อเนื่องเรื่อยไปอย่างเดิม แต่เกิดพฤติกรรมรูปอื่นรับช่วงไปแทนจึงอาจพูดอย่างง่ายๆว่าตันหาอิงอาศัยเวทนาโดยมีอวิชชาเป็นตัวหนุนหรือตันหาแอบอิงเวทนาอยู่บนฐานแห่งอวิชชาในเมื่อตันหาใยหรือผูกพันมุ่งหมายเวทนาอย่างนี้ตันหาจึงร่านรนหันไปหาสิ่งที่จะให้เวทนาแก่มันได้และสิ่งที่ตันหาต้องการ ก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะอํานวยเวทนาอันอร่อยซึ่งตัณหาชอบสิ่งทั้งหลายที่อํานวยเวทนาได้เมื่อจัดรวมก็เป็นประเภทแล้วก็มีเพียงหกอย่างเรียกว่าอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะคือสิ่งต้องกายและธรรมอารมณ์คือเรื่องในใจเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จําพวกที่เด่นชัดกว่าเป็นรูปธรรม คือห้าอย่างแรกซึ่งเรียกว่ากามาคุณหได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่น่าใกล้น่าพอใจอารมณ์หกโดยเฉพาะการมคุณห้านี้เป็นสิ่งที่ตัณหาต้องการและเป็นที่เกิดของตัณหาโดยในยะนี้จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปได้ว่าตัณหาคือความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนา หรือความกระหายอยากในอารมณ์ที่ชอบใจหรือในกามกุลทั้งหลายหรือความกระหายอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมาเสพเสวยเวทนาอันอร่อยพูดสั้นๆว่าอยากได้หรืออยากเอาอย่างไรก็ตามเรื่องของตัณหายังไม่จบเพียงเท่านั้นการเสพเสวยเวทนาจากอารมณ์เช่นนี้ได้สร้างเสริมความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่สั่งสมขึ้นด้วยความหลงผิดคือความรู้สึกว่ามีตัวตนหรืออัตตาผู้เสพเสวยเวทนาเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีความเห็นต่อเนื่องไปอีกว่าการที่จะได้เสพเสวยเวทนาอยู่เรื่อยไปก็ต้องมีตัวตนผู้เสพเสวย ท, ที่เที่ยงแท้ถาวรคราวนี้ความกระหายอยากในความมีอยู่เป็นอยู่ทเที่ยงแท้ถาวรของอัตตาก็เกิดมีขึ้น ควบคู่ไปกับความเห็นว่ามีตัวตนที่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวรได้แต่เมื่อความเข้าใจเช่นนี้เป็นเพียงความเห็นที่ยึดถือเอาเองและเมื่อความเห็นนั้นเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็ย่อมมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเอียงไปในทางตรงข้ามเกิดขึ้นมาซ้อนเป็นคู่ขอแย้งกันไว้ว่าตัวตนนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็จะดับสิ้นพินาศขาดศูนย์ไปไม่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวร ความเห็นหรือความยึดถือนี้กลับไปสัมพันธ์กันอีกกับการเสพเสวยเวทนากล่าวคือความมีอยู่คงอยู่แห่งตัวตนนั้นจะมีความหมายก็เพราะได้เสพเสวยเวทนาที่ชื่นชอบใจเมื่อใดได้เสพสมเมื่อนั้นความกระหายอยากในความเที่ยงแท้ถาวรของอัตตาก็ยิ่งได้รับการเสริมย้ําให้แรงกล้าแต่เมื่อใดไม่ได้เสพสมความดํารงอยู่ของตัวตน ก็ดูจะไร้ความหมายเมื่ออาการที่ไม่สมนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงก็ถึงกับเบื่อหน่ายเกลียดชังไม่ปรารถนาความดำรงอยู่แห่งตัวตนอยากให้ตัวตนพราาขาดศูนย์สิ้นไปเสียจากภาวะเช่นนั้นซึ่งเรียกว่าเป็นความกระหายอยากในความขาดศูนย์แห่งอัตตาเกิดเป็นตัญหาขึ้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีขึ้นควบคู่กันไปกับความเห็นที่คอยรอให้โอกาสอยู่แล้ว ว่ามีตัวตนชั่วคราวซึ่งดับสิ้นขาดศูนย์ไปได้ตันหาในความพินาศขาดศูนย์ของอัตตานี้เกิดขึ้นมาเคียงซ้อนเป็นคู่แยง้งคอยขัดกันกับตันหาในความคงอยู่เที่ยงแท้ถาวรของอัตตาส่วนตันหาอย่างแรกนั้นถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่มีความหมายเพียงว่าความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนาเท่านั้นแต่ควรขยายออกไปให้ชัดเจนขึ้นอีกว่า เป็นความกระหายอยากที่จะได้สิ่งอํานวยเวทนามาปรนปรืออัตตาหรืออยากให้อัตตาได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยจากอารมณ์ที่น่าชื่นชมเป็นอันว่าตัณหาทุกอย่างมีศูนย์รวมมุ่งมาที่ตัวตนหรือเพื่ออัตตาทั้งสิน้นบทบาทและการทําหน้าที่ของตัณหาเหล่านี้ได้เป็นตัวกํากับการดําเนินชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ ผู้คอยพเนาพนอเหล่อเลี้ยงมันไว้และเทิดทูนให้มันเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตนจงรักเชื่อฟังพร้อมกันนั้นมันก็เป็นแหล่งก่อปมปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นที่มาของความหวังความหวาดกลัวความระแวงความเครียดแค้นชิงชังความมัวเมาลุ่มหลงและความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆรวมความว่า ปัญหาแยกออกได้เป็นสามอย่างหรือสด้านคือ 1. ความกระหายอยากได้อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเสพสวยป่นเปลอตนหรือความทยานอยากในกามเรียกว่ากามมาัญหา 2. ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคงมีอยู่คงอยู่ตลอดไป รวมถึงใหญ่โตโดดเด่นของตนหรือความทยานอยากในภพเรียกว่าภาวะตัญหา 3. ความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดศูนย์รวมทั้งพราคผลบั่นรอนแห่งตัวตนหรือความทยานอยากในวิภพเรียกว่าวิภวะตัญหา 3. อย่างนี้เรียกสั้นๆว่าความอยากในกามในภพ และในวิภพตามกฎแห่งปัจจยาการตัณหานาไปสู่การสแสวงหาที่เรียกเป็นคำศัพท์ว่าปริเยสนาจะเรียกสั้นๆว่าเอสนาก็ได้คือไปหาไปเอาหรือรับเอาหรือหาทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นๆมาเสพเสเวยผลสนองการสแสวงหานั้นก็คือการได้ เมื่อได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาให้ตนเสพสเวยแล้วก็เป็นอันตัดตอนได้ถือว่าจบไปช่วงหนึ่งมีสิ่งที่ขอย้ำไว้เพื่อให้กำหนดไว้ในใจเป็นสิ่งเตือนความสังเกตอย่างหนึ่งในตอนนี้คือการแสวงหาไม่ใช่สิ่งเดียวกับการกระทำและอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องใช้การกระทำเลยก็ได้ดังจะพิจารณากันต่อไป แรงจูงใจแห่งฉันทะหันไปพูดถึงฉันทะบ้างได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าฉันทะในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมมาฉันทะที่เรียกสั้นๆว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะซึ่งโดยทั่วไปจะระบุชื่อกัตุกรรมยาตาพ่วงไว้ด้วยกุศลธรรมมาฉันทะแปลว่าฉันทะในกุศลธรรมคือความพอใจ ความชอบความอยากในสิ่งที่ดีงามกุศลฉันทะแปลว่าฉันทะในกุศลถึงแม้จะตัดคำว่าธรรมออกก็มีความหมายเท่าเดิมคือตรงกับกุศลธรรมฉันทะนั่นเองกุศลแปลว่าดีงามฉลาดเกื้อกูลคล่องสบายไร้โรคเอื้อต่อสุขภาพได้แก่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ สิ่งที่มีผลดีเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอื่นส่วนธรรมฉันทะแปลว่าฉันทะในธรรมหรือความต้องการทำคำว่าธรรมที่มาในคำว่ากุศลธรรมมีความหมายกลางๆคือแปลว่าสิ่งหรือหลักแต่เมื่อแยกออกมาใช้ลำพังเดียว ก็อาจแปลความหมายได้กว้างขึ้นความหมายหลักของธรรมในกรณีนี้มีสองอย่างคือความจริงและความดีงามสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามความจริงคือสภาวะธรรมหรือคำสอนที่แสดงสภาวะธรรมนั้นตรงกับที่บัดนี้ใช้คำว่าสัจธรรมความดีงามสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงาม คือคุณธรรมปัจจุบันดูเหมือนนิยมเรียกส่วนหนึ่งของความหมายนนยน้ว่าจริยธรรมธรรมฉันทะจึงแปลได้ว่าฉันทะในความจริงฉันทะในความดีงามหรือความต้องการความจริงความต้องการสิ่งที่ดีงามความต้องการความจริงแหล่งไปถึงความรู้คือเท่ากับพูดว่าต้องการรู้ความจริงต้องการเข้าถึงตัวธรรม คือตัวจริงตัวแท้ความหมายที่แท้เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายตลอดจนความดีงามที่เป็นคุณค่าอันแท้จริงของสิ่งนั้นนั้นแล้วในแง่ที่ต้องการความดีงามก็ยองต่อไปถึงการกระทาคือต้องการทำให้สิ่งหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้นโดยในยน่นนี้ธรรมฉันทะก็แปลได้ว่า ความใยความจริงหรือความรักความจริงหรือใยรู้ความใยในสิ่งที่ดีงามหรือรักความดีงามหรือใยดีรักดีพูดให้ง่ายว่าความอยากรู้อยากทำหรือใ่รู้ใ่ทำททหารสระอําอาจใช้คำสั้นๆคำเดียวว่าความใยทรร ทอธงรอหันหมอมา้าแล้วให้เข้าใจร่วมกันไว้ว่าคลุมถึงความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อนัดหมายรู้กันอย่างนี้แล้วจะแปลฉันทะเดียเด่ยวๆล้วนๆ ว, ว่าความใฝ่ธรรมคือทอธงรอหันหมอม้าก็ได้เป็นอันว่าสิ่งที่ฉันทะต้องการก็คือธรรมหรือกุศลหรือกุศลธรรมพูดอย่างถ่ายแท้ว่า สิ่งที่ฉันทะต้องการคือความจริงและสิ่งที่ดีงามและมีความหมายขยายออกไปว่าต้องการรู้ความจริงต้องการทำให้สิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้นอยากทําให้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สาเร็จผลเป็นจริงขึ้นความหมายที่แยกแยะออกไปนี้ส่องให้เห็นว่าฉันทะสัมพันธ์กับการกระทำคือการกระทำเพื่อให้รู้ความจริงและ การกระทำเพื่อสร้างภาวะที่ดีงามหรือทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับอธิบายแล้วว่าทำไมพอพูดถึงฉันทะที่ดีคือกุศลธรรมฉันทะนี้ตามปกติจึงระบุกัตุกรรมมยาตาคือความใคร่ที่จะทำหรือความอยากทำพ่วงไว้ด้วยความต้องการความรู้และภาวะที่ดีเรียกร้องการกระทำจะเข้าถึงความรู้เข้าถึงความจริง ลุถึงภาวะดีงามสมบูรณ์ก็ต้องทำพูดเชิงล้อว่าอยากทำทอธงรอหันมอมาก็อยากทำทอทหารสระอําหรือใคร่ทำทอธงรอหันมอมาก็ใคร่ทำทอทหารสระอําดังนั้นกัตุกรรมมยตาคือความใคร่ทำทอทหารสระอําหรืออยากทำทอทหารสระอํา จึงเป็นลักษณะของกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะนี้จนกระทั่งถือกันง่ายๆพูดกันสั้นๆว่าฉันทะเป็นชื่อของกัตตุกรรมมัญจาหรือกัตตุกรรมมัญจานี่แหละคือฉันทะไปๆมาๆพอพูดถึงฉันทะคือกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะนี้คำภีทั่วไปก็พูดสั้นๆว่าฉันทะคือกัตตุกรรมมัาฉันทะ ด้วยเหตุนี้ตามกฎแห่งปัจจัาการท่านจึงกล่าวว่าฉันทะนำไปสู่อุตสาหะหรือไม่ก็กล่าวไว้นำหน้าวายามะหรือวิริยะพูดง่ายๆว่าฉันทะทำให้เกิดการกระทําเทียบกับตันหาซึ่งทำให้เกิดการแสวงหาพร้อมกันนั้นท่านก็กล่าวถึงมูลฐานของฉันทะว่า ฉันทะมีโยนิสโสมนสิการเป็นสมุดฐานหมายความว่าฉันทะเกิดจากโยนิสโสมนสิการคือการคิดแยกคายคิดถูกวิธีรู้จักคิดหรือคิดเป็นความข้อนี้แสดงให้เห็นว่าฉันทะอยู่ในกระบวนธรรมฝ่ายปัญญาฉันทะตั้งต้นเมื่อเริ่มมีการใช้ปัญญาเทียบกับตัญหา ซึ่งอาศัยอวิชชาเป็นฐานก่อตัวเนื้อความตอนนี้ยังจะต้องชี้แจงกันต่อไป